11. สังฆเพทานุวัตกะสิกขาบท 18. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุที่ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทําลายสง์ ไม่สละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมานุภาพครบสามครั้งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติน ก, กรุงราชครืถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปประพฤตตามสนับสนุนพระเทวทัตผู้พยายามทำลายสง ในสังฆเพทานุวัตกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตร6สมุทฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต